ลำดับที่ 14, เมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2553โดยพระคันจิตคุณาวโรขออเจริญพร สำหรับในวันเสาร์นี้โยมก็ได้ปฏิบัติธรรมกันประมาณชั่วโมงหนึ่งวันนี้ก็จะได้มาคุยกันต่อว่าเมื่อช่วงวันเสาร์ที่เป็นช่วงปีใหม่นะก็เลยเว้นสักอาทิตย์หนึ่งในเรื่องของศีลที่เราได้คุยค้างกันเอาไว้คราวที่แล้วที่เราได้คุยกันนั้นโยมมีคําถามค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับในเรื่องของศีลข้อปาณนติบาตรนะก็ทบทวนกันนิดหนึ่งจากเมื่อปีที่แล้วนะที่ได้ คุยกันในเรื่องของสิ่งของปนาธิบาว่าองค์ประกอบนะองค์ประกอบนั้นจะบาปมากหรือเป็นอกุศลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสัตว์นั้นมีคุณมากหรือคุณน้อยตัวใหญ่มากหรือตัวใหญ่น้อยนะคือตัวใหญ่หรือตัวเล็กนั่นเองแล้วก็องค์แห่งปานาทิบานั้นมีห้าอย่างคือสัตว์นั้นมีชีวิตเราเองรู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตมีจิตคิดที่จะฆ่า มีความพยายามที่จะฆ่าและสัตว์นั้นตายด้วยความพยายามนั้นถ้าครบห้าอย่างนี้ก็เรียกว่าผิดศีลข้อประนติบาตถ้าไม่ครบนั้นก็ถือว่าต่างพร้อยมันไม่ว่าค่ายุงค่ามดค่าปลวกพวกนี้ถามว่าเป็นบาปไม้ผิดข้อประนับาลไหมผิดทั้งหมดนะแต่ค่ายุงค่านกค่าปลวกอคุศนธรรมที่เกิดขึ้นหรือบาปที่เกิดขึ้นก็ไม่เท่ากับค่าสัตว์ใหญ่ ฆ่าสัตว์ใหญ่ฆ่าช้างฆ่าม้าจะมีบาปมากกว่าเราขึ้นอยู่กับเจตนาด้วยขึ้นอยู่กับเจตนาด้วยข่าวที่แล้วนั้นก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วครั้นี้ก็มีประเด็นต่ออีกสักนิดหนึ่งเล่าให้ยงฟังสักนิดหนึ่งมันเป็นประเด็นเสริมจากในเรื่องของตัวปณติบาสนี้ตรงที่ว่านับว่าเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งมีชีวิตเมื่อไหร่ในทางพุทธศาสนา จะนับว่าเป็นสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเมื่อเขาปฏิสนธิเมื่อเขาปฏิสนธิเพราะฉะนั้นอย่างไข่ไก่ไข่ไก่บางอย่างยมทานแล้วยมไม่ได้ทําปนาธิบตัติเช่นไข่ไก่ที่ยังไม่ได้ผสมเชือ้อเข้าใจนะซึ่งส่วนใหญ่ไข่ไก่ที่เขาขายส่วนใหญ่จะยังไม่ได้ผสมเชือ้อะออกมาจากตัวแม่ไก่เลยแลไม่ได้ผสมเชือ้อไม่มีน้ําเชื้อตัวผู้ฉีดเข้าไป ถ้าอย่างนั้นยังไม่เกิดการปฏิสนธิถ้ายัางไม่เกิดการปฏิสนธิอย่างนี้ไม่ถือการว่าเป็นการทำปนานติบาตแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นการปฏิสนธิในที่นี้ก็คือมีเชื้อของตัวผู้เข้าไปผสมกับไข่แม้ว่าจะยังเป็นไข่อยู่จะเป็นไข่ไก่หรือไข่นกถ้าปฏิสนธิแล้วนั่นถือว่าเขามีสิ่งมีชีวิตแล้ว ด้วยปกตินะท่านหลักในทางอภิธรรมในคมพีชันอัตรกถาเขาจะบอกว่าปฏิสนธินั้นจะมีจะมีวิ ญ, ญญาณเข้าไปถือครองภายในระยะเวลาประมาณสักสามสิบถึงสีสิบห้าวันโดยประมาณช่วงนั้นก็จะมีวิญญาณเข้าไปถือครองแต่เข้าไปถือครองตอนไหนไม่ทราบนะถ้ามีวิ ญ, ญญาณเข้าไปถือครองเมื่อไหร่ถือว่ามีเป็นสิ่งมีชีวิตแต่เพราะฉว่าตามหลักแล้วเนี่ยที่กล่าวในพระสูตรท่านจะบอกว่าเมื่อเกิดการปฏิสนธิ ก็นับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่มีการปฏิสนธิแม้แต่ว่าจะยังไม่เป็นตัวนั่นถือว่าเขามีเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วถ้าเราไปฆ่าเขาอย่าง ย, งยกตัวอย่างที่อธตมายกตัวอย่างเช่นไข่ไก่หรือไข่นกปฏิสนธิแล้วแต่ยังไม่ออกมาเป็นลูกเจี๊ยบหรือลูกนกยังไปกระเทะทาให้ไข่นั้นแตกก็ถือว่านั่นก็เป็นปานาธิบาตด้วย เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นข้อเพิ่มเติมให้เพราะว่าเวลานับว่าสัตว์นั้นมีชีวิตหรือไม่เราจะดูที่ตรงไหนส่วนสัตว์ที่ตัวเล็กมากๆบางทีทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นพวกสัตว์เซลเดียวหรือแม้กระทั่งเซลหรือต้นไม้ทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ผ้านในทางธรรมบอกว่านั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิต นับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ามีวิ ญ, ญญาณเข้าไปถือครองหรือไม่มีนามมาทำกับรูปธรรมทำงานร่วมกันหรือไม่ต้นไม้มีการเจริญเติบโตมีการแบ่งเซลล์แต่ต้นไม้ไม่มีวิญญาณเพราะฉะนั้นการตัดต้นไม้จึงไม่ใช่การทำปนาธิบาตไม่ใช่การทำปนาธิบาอย่างมากก็คือเป็นการทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่อาศัยต้นไม้นั้น อาจจะสร้างหมองในแง่นี้นะอาจจะสร้างมองในแง่นี้ก็คือเป็นการเปลีป่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของเขาเท่า น, นั้นเองนะอย่างมากก็คือแค่นั้นแต่ว่าไม่เป็นปานาติบาทนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คราวที่แล้วที่อาตมาว่าจะพูดถึงแต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงนะไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องของตัวปานาติบาทยกมีคําถามไม่เอ่ยจเจริญพร เจริญพรเป็นปนธิบานไหมเป็นปณิธานัหมไม่เป็นปนาธิบานเพราะหนึ่งเราไม่ได้สั่งให้ฆ่าอ่ามันก็เป็นยังไม่ใช่ตัวปนาธิบานเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดความซศราหมองของจิตใจเวลาเรานึกถึงสัตว์ที่จะต้องตายเพื่อความสะดวกสบายของเราหรือเพื่อความสวยงามของเราเจริญพรเพรนั้นปณิบานเนี่ยก็มุ่งเน้นที่ตัวเจตนาของเราที่คิดจะฆ่าเขาหรือเอาชีวิตของเขา ไม่ว่าจะสั่งหรือว่าลงมือทำเองก็แล้วแต่เจริญพรเข้าใจนะเจริญพอรอ๋อเจริญพรเจริญพร จเจริญพรเจริญพรอันั้นก็ต้องยอมรับแหละนะเพียงแต่ว่าออ่าจะมีวิธีอื่นไหมที่จะล่อเขาให้ออกไปจากที่ตรงจุดนั้นแต่ครนี้ต้องขออภัยนะเรื่องมดปลวกหนูเนี่ยถ้ามีบ้านเนี่ยหนีไม่พ้นนะมีอยู่อีก ว, วิธีนี้อีกวิธีหนึ่งคือจัดที่ให้เขาอยู่ซะ คำว่าจัดที่ให้เขาอยู่ในที่นี้นะย่างแรกเลยยังถ้ายมฆ่าเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหนูเข้ามาอยู่เพราะว่ามันจะมีตัวอื่นๆใช่ไหมเมื่อตัวนี้ไปตัวอื่นก็เข้ามาตัวนี้ไปตัวอื่นก็เข้ามาอันนี้คงจะไม่มีวันสิ้นสุดอ่ามีอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือป้องกันะหาตะข่ายได้ อ, อะไรไปกัน้นบริเวณทางหนูเข้าแล้วก็ออกถ้าเราไล่เข้าออกไปได้ก่อนแล้วเอาตะข่ายมาคลุมหรือป้องกัน ส่วนนั้นเขาจะเข้ามาอีกไม่ได้ถ้าตรงนี้เราจะกำจัดได้ก็ไม่เชิงกำจัดเราแล้วเรียกว่าไล่หรือถ้าอย่างพวกมดพวกปลวกพวกนี้พวกนี้ส่วนใหญ่ต้องกินต้องกินน้ำถ้าเรากำจัดทางที่จะเขา้าทำให้เข้าลงไปกินน้ำได้ใช้น้ำมันเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้เขาจะหนีไปเองเพราะว่าเขาจะอยู่ที่ตรงจุด น, นั้นไม่ได้จะเรีนพอ แต่นี้ยอมกําจัดแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ขึ้นอีกใช่ไหมมาอีกแน่ๆนะเพราะว่าเขาไปที่โรงงานใช่ไหมเอ่ยออกที่บ้านจเจริญพรเพราะว่าที่บ้านอาตมาก็วิ่งปล้านยมอาตมาเขาวิ่งกันกรุบคักขุบครักอยู่เหมือนเดิมนะคือกําจัดยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีตัวใหม่เข้ามาอันนี้มันคงจะไม่มีวันหมดแต่ถ้าจะให้หมดก็อย่างที่บอกนะลองพยายามดูช่องหรือรูแล้วพยายามอุดช่องหรือรูนั้น ในช่วงแรกก็คือไล่เข้าออกไปก่อนนะถ้าอุดช่องหรือรู้ไว้ได้พวกนี้เขาจะเข้ามาไม่ได้แล้วเขาก็จะไม่เข้ามารบกวนในฝ้าหรือเพดานของเราเจริญพอนะแต่ถามว่าเป็นปานาติบาลไหมก็ต้องยอมรับเนาะข้อนี้เ <c oughs> จริญพอเจริญพรนะเชื้อราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตใช่ไม่มีวิญญาณเจริญพอเชืโรคเหมือนกันไม่มีวิญญาณใช่เจริญพร จเจริญพรเจริญพรติดที่กล่าวจเจริญพรเจริญพรโยมไม่ได้ทําปฏิบัตินะไม่มีไม่ได้ทําปฏิบัติอ้าวอันนี้ต้องต้องแบ่งนะหนึ่งเราไม่ได้ฆ่าเขา เขาไม่ได้ตายเพราะความเพียงพยายามของเราเจตนาของโยมที่จะฆ่าก็ไม่มีใช่ไหมแต่ว่ามันจะเศร้าหมองตอนที่เรารู้ว่าเอาไปน้ำมันตายแน่ยแยกออกใช่ไหมตัวเราน่ะไม่ได้ฆ่าล่ะนะเราไม่ได้ทําร้ายเราไม่ได้กะฆ่าเขาใช่ไหมเราต้องการเพียงแค่ดักแล้วก็เอาเขาไปเอาเขาไปไว้ที่อื่นเท่นั้นเองเจริญพอแต่ว่ามันเศร้าหมองเศร้าหมองมันก็จะอยู่ในในในขีดขั้นของการทําร้ายเขา แต่ไม่ได้ว่าเป็นการฆ่าเขาเจรินพเจริญพรเจริญพรให้ให้หลักอย่างง่ายๆแบบนี้กันแล้วกันสัตว์ที่จะมีโครงสร้างซับซ้อนขึ้นมาถ้าไม่ใช่พวกสัตว์เซลล์เดียวพวกโครงสร้างซับซ้อนเช่นแมลงตัว เ, เล็กๆพวกเนี้ยพวกนี้จะจัดว่ามีวิญญาณพวกนี้จะสามารถคิดและสามารถตัดสินใจได้ แม้ว่าการคิดและการตัดสินใจของเขาจะมีค่อนข้างจำกัดแต่ถ้าเป็นพวกสัตว์เซลล์เดียวหรือพวกเชื้อโรคพวกนั้นเนี่ยพวกนั้นโครงสร้างของร่างกายมันยังไม่เหมาะสมสำหรับคุญยานเข้าไปถือครองเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะจัดอยู่ในฝ่ายของพวกสภาพธรรมชาติเสียมากกว่าจเจริญพรกใ็ให้สังเกตดูจากที่อยูอย่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพวกนอนพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิต ใช่ไหนอนพยาธิพวกนี้มียมลองสังเกตมันดูก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเชื้อโรคเชื้อราอะไรพวกนี้เนี่ยการทํางานของเขาเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่ตามสิ่งที่เข้ามาตอบสนองของสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเองพวกนี้ก็จะไม่ได้จัดว่าเป็นสิ่งที่มีวิญญาณถือครองเหมือนเซลล์ร่างกายของเราเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นเซลล์มีลักษณะเหมือนกับสัตว์ต่างๆหรือเม็ดเลือดขาวเนี่ยคอยวิ่งจับเชื้อโรคคอยลายแบบนี้ใช่ไหมอันนั้นไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตแต่เป็นแค่องค์ประกอบ ในร่างกายของเราซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นถ้าไม่มีวิญญาณเข้าไปถือครองก็เหอแสดงว่าไม่มีชีวิตไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจเจริญพรเจริญพรไม่ให้ตัดต้นไม้จเจริญพรคือในเรื่องของการตัดต้นไม้เนี่ยมันเป็นเป็นการไปทําลายที่อยู่ สมัยพุทธกาลมีต้นไม้เนี่ยจะมีเทวดาที่ท่านอาศัยอยู่ภิกษุไปตัดต้นไม้เข้าเทวดาก็เลยมาร้องต่อพระพุทธเจ้าไปทำลายบ้านหรือที่อยู่นะคือคำว่าขามนะคามะหรือคานะห์มนีก็คือบ้านหรือที่อยู่ของเขาพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติในเรื่องของไม่ให้พระภิกษุตัดต้นไม้เนะีเจริญพอนะเข้าใจนะ มีชีวิตใช่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตมีวิญญาณใช่หอยกุ้งปูปลาพวกนี้มีวิญญาณอันนั้นเป็นความเชื่อของทางจีนใช่เป็นความเชื่อของทางคนจีเจริญขอ อาบาปไม้มันจัดจัดอยู่ในประเภทของมิจฉาวนิชาค้าสิ่งมีชีวิตเท่านั้นเองนะจัดอยู่ในฝ่ายของมิจฉาวนิชาคือการเลี้ยงสัตว์หรือฆ่าสัตว์เพื่อขายนะแต่ถ้าเราไมา่ได้ฆ่าเขาไม่เป็นปานาธิบาเราไม่ได้ฆ่าเขานะไม่เป็นปานาติบาจเจริญพรแต่เป็นการค้าชีวิตนะฮะต้องแยกตรงนี้ก่อนเป็นการค้าชีวิต ซึ่งการค้าชีวิตอย่างที่เรียกว่ามิจฉาวณิชาเนี่ยมิจฉาวณิชาเนี่ยมัอยู่ห้าอย่างใช่ไหมคนะ้าสัตว์เพื่อขายในค้าสิ่งมีชีวิตค้ามนุษย์ที่ว่าเอามนุษย์ไปบริการไปใช้เยี่ยงทานุค้าอาวุธใช่ไหมค้าอาวุธค้ายาพิษรับประค้าสิ่งเสพติดสุราของมึนเมาพวกนี้เป็นอาชีพที่ท่านบอกว่าเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดโทษไม่เกิดประโยชน์ จเจริญฟ้น ะ, จะเจริญฟ้ถือว่ามีสิ่งมีชีวิตไหมขึ้นอยู่กับวิ ญ, ญญาณเข้าไปถือครองในสิ่งที่โคนิ่งขึ้นมาเล็กอย่างโคงนิ่งเป็นการทําในฝ่ายของรูปธรรมถ้ามีวิ ญ, ญญาณเข้าไปถือครองจักว่าเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าอย่างนั้นแล้วก็การโคนรนิ่งนั้น ก็ถือว่ามีปัญหาด้วยถ้าเกิดว่าเราไปฆ่าเขาคราวที่แล้วมีทางคุณหมอมาถามเกี่ยวกับเรื่องของแม้แต่ขั้นาการผสมเทียมคดได้ยินใช่ไหมการผสมเทียมเป็นเรื่องของการเอา s p e r มเข้าไปผสมกับไข่แล้วทัดเฉพาะตัวอ่อนที่ต้องการตัวอ่อนที่เหลือนั้นเขาก็จะทิ้งไปตรงนี้อย่างที่บอกเอาไว้ มันมีเงื่อนไขยอยู่ตรงที่ว่าวิญญาณเข้าไปถือครองหรื อ, อยังในขณะที่ผสมถ้าวิญญาณเข้าไปถือครองแล้วถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเป็นปานาติบาต์แต่ถ้าวิญญาณยังไม่เข้าไปถือครองนั่นก็ยังไม่ใช่ปนาติบาตเพราะฉะนั้นต้องเสี่ยงเอาเองแล้วอย่างนี้ใช่ไม้มเป็นไปได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงดีกว่า เพ่อรายได้ก็ควรจะพยายามหลีกเพี่ยงดีกว่าเพราะว่าเราไม่ทราบว่าวิญญาณเข้าไปถือครองตอนไหนแะอาตมาเองก็คงจะบอกให้ไม่ได้อย่างที่บอกว่าอ่าถ้าในทางอภิธรรมในทางอภิธรรมคือในคำพีที่อธิบายอภิธรรมอีกทีหนึ่งเขาก็จะบอกว่าในช่วงตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนตั้งถึงประมาณสักสามสิบวันหรือสามสิบวันถึงสีิบห้าวันนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่วิญญาณเข้าไปถือครองได้ตลอดเลยจะเจ็นพอ ถามยี่สิถามอหมือนกันองไหมเอ่ยอ๋ อ, อ, อ, อไม่ไม่ได้ <c oughs> อันนั้นจะไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดเดือนหรืออะไระส่วนใหญ่จะไม่เกินประมาณสักไม่เกินสี่สิบห้าวัน ประมาณสามสิบถึงสีิบ้าวันไม่เกินนี้ยถ้าเกินสามสิบถึงสี่สิบห้าวันนี้แสดงว่ามีวิญญาณถือครองแล้วแน่ๆเจริญพอถ้าเกินกว่า น, นี้แต่ช่วงศูนย์ถึงประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้าวันนี้อันนี้บอกไม่ได้ว่าเข้าไปถือครองในช่วงไหนตอนไหนะบางครั้งปฏิสนธิปุ๊บเขาก็ถือครองปับ๊บก็มีแต่บางครั้งปฏิสนธิมีการแบ่งเซลล์แล้วแต่ว่ายังไม่เกิดการถือครองอันนี้ก็เป็นไปได้ เพราะฉนั้นก็เลยเป็นระบุเป็นช่วงเอาไว้นะพราั้นอาตมาเองจะไปตัดสินให้ไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่จเจริญพรเพราะว่าตอนนั้นที่จะมีวิญญาณเข้าไปปฏิสนธิหรือว่าเข้าไปถือครองหรือไม่มันมีช่วงของระยะเวลาอยู่นะแต่ถ้ากล่าวอย่างในพระสูตรเนี่ยท่านนับเอาตอนปฏิสนธิเลยนะแต่ว่าถ้าในชั้นอัตถกถาท่านก็จะมีการแบ่งออกมาอย่างที่อาตมาได้กล่าวถึงจเจริญพร อ้าเจริญพรเหมือนกันอย่างที่อัตมาบอกไงขายมอดแดง่งถ้าเกิดมีการผส ม, มแล้วโยมเห็นเข้าเป็นตัวแล้วเนี่ยก็เข้าขก็อาจจะเข้าขายปานาติบาเนี่ยเพราะว่าวิญญาณพร้อมที่จะเข้าไปถือครองแลกเนะี่ยเจริญพรเพรียเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วแต่จัดอยู่ในฝ่ายของพวกว่าไร จะได้ไ่ออ่านั่นแหละอันนั้นคืออตามาที่บอกว่าอตามาคงจะบอกให้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเชื้อตัวผู้เข้าไปผสมหรื อ, อยังใช่ไหมถ้ามีเชื้อตัวผู้เข้าไปผสมแล้วเสดงว่าเกิดการปฏิสนธิถ้ามีการปฏิสนธิแล้วก็จัดอยู่ในฝ่ายของปนาธิบาตะแล้วก็ต้องมีวิญญาณเข้าไปถือครองด้วยใช่ไหม แต่ถ้าปฏิสนธิแต่ยังไม่มีวิญญาณเข้าไปถือครองก็ไม่จัดอยู่ในฝ่ายปานาทิบาครนี้ถ้าเราไม่แน่ใจอย่างนั้นเราอย่าไปทําดีกว่าใช่ไหมเราอย่าไปทําเราอย่าไปรับประทานดีกว่านะก็พยายามดีกเลี่ยงเพอิะนั้นการที่กําหนดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนั้นอยู่ตรงที่หนึ่งมีการปฏิสนธิแล้วสองมีวิญญาณเข้าไปถือครองแล้วจะเริพ่พร อ่าเข้าใจน ะ, จะเจริญพรเพราะการหลีกเลี่ยงที่ดีที่สุดนะถ้าโยมจะกินไข่ถ้าเยายามอย่าเลือกที่ปฏิสนธิแล้วอย่าเลือกที่ปฏิสนธิแล้วนะที่เราเรียกว่าไข่ลมใช่หมเราเรียกว่าไข่ลมนะเพราะั้นถ้าไม่เกิดการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะขณะนั้นก็เรียกว่ายังไม่เกิดสิ่งมีชีวิตขณะนั้นไม่มีปัญหา แต่ถ้าปฏิสนธิเมื่อไหร่มีโอกาสที่เขาจะมีชีวิตได้ทุกขณะเลยอย่างที่บอกว่าประมาณศูนย์ถึงถ้าจำไม่ผิดจะประมาณสี่สิห้าวันหรืออาตมาคงต้องเอาไปขอค้นสักนิดหนึ่งเพราะว่าอ่านนานแล้เพราะว่าไม่ค่อยได้จําพวกนี้ให้แม่นยำเสียเท่าไหร่นะโดยประมาณถ้าจําไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณนี้นะถ้ามีการปฏิสนธิแล้วโอกาสเป็นปานาติบาสสูงมากเพราะว่าวิญ ญ, ญาณเขาพร้อมที่จะเข้าไปถือคลองได้ทุกขณะ ถ้าทําให้สิ่งนั้นเสียชีวิตหรือว่าอา่าเราไปกินสิ่งนั้นเข้าวอย่างไข่ที่ปฏิสนธิอย่างที่อาตมายกตัวอย่างจะเล่นพอนนนาาอาพ้าวขอยมก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องตายอ่ะ <laughs> <laughs> มันไม่ใช่ไม่มีเจตนาฆ่าละ่ะมันเจตนากินชัดๆเลยอ่ะ <laughs> นะ้็เรารู้อยู่แล้วว่าทําอย่างนั้นเขาจะต้องตายใช่ไหม อ่าจเจริญพรเพราะฉะนั้นก็อาตมาท่านบอกว่าพยายามหลีกเลี่ยงนะนี้ถ้าเรารู้หรือไม่รู้ก็ต้องเอาให้ชัดใช่ไหมต้องเอาให้ชัดนะเหมือนกับว่าเราบอกว่าเราฆ่าคนแต่เราไม่รู้ว่าคนนั้นมีชีวิตหรือเปล่าอันนั้นมันไม่ได้ใช่ไหมนะคือเจตนาที่เบียดเบียนมันเกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะั้นดูที่ตัวเจตนาตรงส่วนนี้ เพรวฉะนั้นถ้าสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีเจตนาที่จะฆ่าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือใช้ผู้อื่นก็ตามมีความพียพยายามสัตว์ที่เราสั่งให้ฆ่านั้นตายอันนี้ก็ครบองค์ห้านี้ก็ปณาริบาตแต่ถ้าไม่ครบองค์หาก็ถือว่าเศร้าหมองถ้าไม่ครบองค์ห้าถือว่าเศร้าหมองจเจริญพรเข้าใจน ะ, จะเสริญพร คือสาิบวันนี้นับในแง่ของมนุษย์ศูนย์ถึงประมาณสี่สิบห้าวันนี้คือช่วงเวลาที่จะเข้าปฏิสนธินะช่วงศูนย์ถึงสี่สิบห้าวันเพราะฉะนั้นในกรณีของพระเนี่ยอันนี้พูดถึงวินัยของสงฆ์ให้ฟังด้วยกันแล้วกันนะพระนี่เหตุของทําให้ขาดจากความเป็นพระภิกษุก็คือการฆ่ามนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าพระไปแนะนํานะ หรือไปบอกให้โยมโอ้โยมท่านเด็กไม่อะไรหรือว่ายังไงให้โยมไปทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ถ้าอยู่ในช่วงเนี้ยนะเข้าข่ายแล้วสําหรับพระในการที่จะขาดจากความเป็นพระภิกษุเพราะถือว่าเป็นการฆ่ามนุษย์ใช่ไหมคือนับตั้งแต่ปฏิสนธิอย่างที่อาจามาได้บอกเอาไวา้เมื่อไรก็ตามเกิดการปฏิสนธิเกิดขึ้นเขาพร้อมที่จะมีชีวิตแล้วนั่นก็คือพระไปแนะนําบอกว่า ให้เอาออกหรือให้ใช้วิธีการอะไรก็ตามเนี่ยที่ท่านทำให้เขามีชีวิตต่อไม่ได้พระขาดจะความเป็นพระภิกษุเลยเฉพาะมนุษย์นะแต่ถ้าเป็นสัตว์อื่นๆก็ Fore certain, อาบัติปาจิตตีสําหรับพระ onya, นะอันนี้มันมีมันมีแง่มันมีแง่มุมใน แ, แง่นี้เข้ามาประกอบด้วยในในฐานะของพระภิกษุนะเพราะว่าการฆ่ามนุษย์นั้นก็ถือว่าเป็นการทํากรรมที่ค่อนข้างจะหนักมากกว่าฆ่าสัตว์อื่นๆอย่างที่ได้บอกเอาไว้ว่ามนุษย์นั้นมี ขีดขั้นความสามารถของการพัฒนานสูงมากกว่าสัตว์อื่นเพราะนในแง่ของพระจรึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะแนะนาโยมในเรื่องนี้เพราะฉนในแง่ของพระเนี่ยไม่ไม่สนับสนุนทั้งสิ้นใดใดทั้งสิ้นในเรื่องของการที่จ ะ, ะทำสิ่งที่มีชีวิตแล้วเนี่ยให้ตกล่วงไปโดยเฉพาะชีวิตของสัตว์ที่สามารถพัฒนานได้มากหรือพัฒนานได้สูงจะเด่พอ ไม่ใช่โอกาสไม่มีศูนย์ถึงสี่สิบห้าวันคือช่วงที่วิญญาณจะเข้าถือครองได้ทุกขณะเลยเมื่อไรก็ได้ช่วงศูนย์ถึงสี่สิบห้าวันขออภัยตัวเลขเนี่ยสี่สิบห้าวันหรือไม่เนี่ยคิดว่าจะอยู่ที่เราเรานี้นะแต่อาตามาขอไปค้นอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคราวหน้าจะมาบอกกันแล้วกันนะต้องขออภัยด้วยนะที่อาตามาจำท่านจำไม่ผิดคือช่วงศูนย์ถึงสีิบห้าวันแรกคือนับตั้งแต่ปฏิสนธินะปฏิสนธิแล้วเนี่ยวิญญาณพร้อมเข้าไปถือครองทุกเมื่อ ถ้จาจะช่วงนี้ไปคือมีวิ ญ, ญญาณถือครองแน่นอนและวนะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่บอกไว้ว่ายังไม่แน่นอนช่วงส่นถึงสี่สิบห้าวันแต่ว่าเป็นช่วงที่วิ ญ, ญญาณพร้อมเข้าไปถือครองได้ทุกเมือ่อเจริญพรนะอ้าวเจริญพอรอ้านะเพราะฉะนั้นโยมก็คงทราบในเรื่องของหลักในเรื่องของการอ่าพนานติบาสนะพนันติบาสนี้ส่งผลอย่างไร มีกล่าวถึงในพระสูตรเช่นเดียวกันอันนี้จะพูดถึงผลตามมาด้วยถ้าไม่มีเหตุอื่นถ้าไม่มีเหตุอื่นหรือไม่มีวิบากอื่นต้องเป็นกรณีนะคือไม่ได้หมายความว่าทำแล้วจะต้องเกิดอย่างนี้เสมอเพราะว่าในการกระทำกรรมของเราในแต่ละครั้งนั้นมันมีหลายอย่างและ ว, วิบากที่เกิดขึ้นมีหลายอย่างท่านบอกว่าอย่างนี้ว่าปนาติบาตนั้นถ้าทาอย่างถึงพร้อม ผลที่เกิดขึ้นก็คือผู้กระทำนั้นย่อมเข้าสู่ทุกขติวินิบาตนรกแม้เกิดขึ้นมานะแม้ได้เกิดขึ้นมาได้กลับมาเกิดด้วยเศษแห่งผลกรรมนั้นจะทําให้เป็นผู้ที่มีอายุสั้นอันนี้ที่ท่านกล่าวไว้ในพระสูตรแต่ก็อย่าเพิ่งไปกลัวว่าข่ามดตัวหนึ่งแล้วจะทําให้เราอายุสั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าเราทําทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีมากมาย ในแต่ละขณะดหรือแต่ในแต่ละช่วงของชีวิตเราไม่ทราบว่ากรรมใดจะส่งผลให้กับเราตอนไหนแต่ถ้าทำปานาติบาตให้รู้ว่าผลมีเสมอแต่บอกไม่ได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตนี้หรือในชาติหน้าหรือในชาติไหนนั่นเป็นผลของกรรมเป็นผลของวิบากแต่โดยตัวกรรมในการทำปนาติบาตผลที่เกิดขึ้น ก็คือหนึ่งจิตใจเศ้าหมองการทำปานาทิบาตนั้นขณะกระทํามันจะประกอบด้วยทุกเขเวทนาโยมลองสังเกตนะมันอาจจะเป็นเสี้ยวหนึ่งอ่ะตอนที่คิดฆ่าเขาโยมลองสังเกตตอนที่จะฆ่าตอนนั้นอะโยมจะรู้สึกหลุดหัดหรือหุดหิดมันมีความบีบคั้นหรือความทุกข์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าสะสมไว้เยอะต้องระมัดระวังให้ดีนะอันนี้คือผลนะ แต่โยมอย่าไปมองแค่เหตุดีผลเดียวนะแล้วก็อย่าไปมองเพียงแค่ว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บชาตินี้เราจะต้องอายุสั้นหรือชาติหน้าต้องอายุสั้นเลยนะไม่ใช่เสมอไปเพราะว่ากรรมที่เราทำนั้นมีมากมายถ้ากรรมดียังส่งผลก่อนและกรรมดีนั้นมีผลมากภาวะของกรรมที่ไม่ดีนั้นอาจจะไม่มีโอกาสส่งผลหรือ รอเพียงแค่โอกาสตอเมื่อก ร, รมดีที่เราทำที่เป็นกำหนักนั้นมันหมดไปก ร, รมที่ไม่ดีเหล่านี้จริงจะส่งผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่พยายามอธิบายเรื่องนี้ต้องอธิบายว่าอยียาไปมองแบบเหตุดีผลเดียวแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีผลผลก็อย่างที่อาตมาได้บอกเอาไว้ทำอย่างถึงพร้อมถ้าเราทำอย่างถึงพร้อมผลที่เกิดขึ้นจิตใจเร้าหมองย่อมเข้าสู่ทุกขติวิเนบาสนาร แม้เกิดมาใหม่ย่อมเป็นผู้ที่มีอายุสัน้นะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วท่านจึงไม่อยากให้ทำปนาธิบัติไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นนะเขาจะทำผิดมากแค่ไหนในทางพุทธศาสนาจะไม่สนับสนุนให้ฆ่าเขาเลยยังเก่งคือกักเข้าพ้อยที่อื่นจะดีกว่านะถ้าเรามีโอกาสหรือเราสามารถทบได้อามีคาถามอย่างอื่นอีกไหมเอ่ยในแง่งมุมของปณิบัติเฉลยับ ถูกต้องมันหลักในทางพุทธศาสนาจะเห็นว่าแม้กระทั่งพระพิทธสูตรทำผิดมากแค่ไหนยังเก่งให้ออกนอกหมู่ให้ออกนอกหมู่ไปอยู่ที่อื่นซะหรือไม่ก็ถ้าช่วงที่เขายังพอที่จะกลับตัวได้ก็อาจจะมีการลดสิทธิบางอย่างลงไปลดสิทธิ์บางอย่างในในแง่ของในแง่มุมของเขาลงไปหรือให้ไปอยู่ในจําการการจํากัดที่อยู่ให้กับเขาเจะเรียนพอ เข้าใจน ะ, จะเจริญพรเพราะในแง่ของแง่มุมของทางการแพทย์ได้อธิบายให้ฟังไปแล้วใช่ไหมในแง่ของผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ที่กำลังจะตายนะเพราะว่าในเรื่องนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะพอสมควรนะเราไม่ช่วยต่อไม่เป็นปนาธิบาตแต่ถ้าเราตัดรอนชีวิตของเขานะทาั้งๆที่เรารู้เช่นการดึงการดึงออกหรืออะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้จะต้องจะต้องระมัดระวังให้ดี จะต้องระมัดระวังให้ดีเพราะถ้าเราเรียนรู้ไว้ก่อนมันจะเป็นข้อดีสาหรับเราเราจะได้วางท่าทีวางจิตวางใจแล้วก็ตั้งเจตนาได้ถูกเพราะเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดคือเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้ถ้าเราช่วยไม่ไหวหรือเราช่วยไม่ได้แล้วเราหยุดช่วยการหยุดช่วยไม่ใช่ปานาติภ เราบอกว่าไม่ต้องปั๊มคือเราไม่ได้ช่วยใช่ไม่ใช่อ่าถ้าอย่างนั้นไม่ใช่เข้าให้เข้าข่ายของปนาติบาตเราไม่ได้มีเจตนาฆ่าเขาแต่โดยสภาพร่างกายของเขามันทํางานต่อไม่ได้แล้วเรายุติการช่วยเหลือเท่านั้นเองใช่ไม่ใช่แต่ถ้าเรายังสามารถอยู่ในขอบเขตสามารถช่วยได้ยอมคุณที่จะช่วยนะแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่เราจะสามารถช่วยเขาเขาได้แล้วอย่าไปตัดกรอนชีวิตของเขา ปล่อยเขาให้เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนเราเห็นสัตว์ที่กำลังใกล้ตายโยมไม่ได้ช่วยเหลือเขาอันนั้นยังไม่ใช่ปณธิบาตแต่ว่าเราอาจจะเศร้าหมองในแง่ที่ว่าเออต้องไม่ได้ช่วยเขาหรืออะไรแค่นั้นเท่านั้นเองแต่ว่าจะไม่ใช่การกระทำปณธิบาตเจริญพรเข้าใจน ะ, จะเจริญพรอ้วนะก็คิดว่าคงผ่านในเรื่องของปณธิบาตนะแต่ก็โยมจะได้เห็นถึงผล และแง่มุมต่างๆของในแง่ของปานาธิบานะแล้วก็วันนี้ที่เอามาอธิบายเพิ่มเติมก็คือสัตว์มีชีวิตหรือไม่อยู่ที่ปฏิสนธิหรือยังถ้าปฏิสนธิแล้วมีโอกาสที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตโยมพยายามดิกเลี่ยงนะอย่าไปทำร้ายเขานะข้อที่สองนะก็คืออธินาทานเจตนางดเว้นจากการถือเอาของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ ก็คือการรักทรัพย์นั่นเองเจตนางวัดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่ผูอื่นไม่ได้ให้การรักทรัพย์นั้นนะมีองค์ประกอบที่เราจะต้องพิจารณานะการรักทรัพย์นั้นจะบาปมากหรือบาปน้อยขึ้นอยู่กับของที่เราลักมานั้นเป็นของละเอียดประณีตหรือเป็นของเลวถ้าเป็นของเลวไม่ละเอียดไม่ประณีตพวกนี้ก็ แม้อธินานทานมาก็มีเป็นอกุศลน้อยถ้าเป็นของดีละเอียดปราณีตมากความเป็นอกุศลก็มากขึ้นด้วยอีกอย่างหนึง่งเจ้าของนั้นเป็นใครคุณงามความดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเจ้าของนั้นมีคุณงามความดีมากอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมถ้าคุณงามความดีน้อย มันก็จะลดลงตามลำดับลงไปนะอันนี้เป็นข้อที่เราพึงพิจารณาในแง่ของการรักทรัพย์เพราะฉะนั้นการรักทรัพย์ไปรักทรัพย์ของคารวะบาปน้อยกว่าลักพระรักทรัพย์ของพระภิกษุสงฆ์รักของครรภ์รูปใดรูปหนึ่งบาปยังน้อยกว่ารักของที่เป็นสง์โดยส่วนรวมระวังเรื่องนี้ให้ดีนะ อันนี้ต้องมองให้ดีเหมือนกันนะขโมยของบุคคลคนใดคนหนึ่งเป็นยังไงบาปแต่น้อยกว่าของส่วนรวมแต่คนไทยไม่คิดตรงนี้นะใช่ไหมเห็นเป็นของส่วนรวมแล้วก็เอามาเต็มที่เลยเระวังให้ดีกันแล้วกันชันใดก็ฉันนั้นนะเวลาที่โยมทำบุญหรือให้สิ่งของโยมให้สิ่งของเฉพาะตัวบุคคล อันที่สงน้อยกว่าให้กับส่วนรวมเพราะฉะนั้นการให้ทานอย่างที่เรียกว่าปาติปุ ก, กลิกทานให้เฉพาะเจาะจองกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอันที่สงจริงน้อยกว่าการให้สังฆทานให้กับสงโดยส่วนรวมเข้าใจนะนนเพราะฉะนั้นต้องระวังนะอยู่บริษัทเนี้เอาของบริษัทมาใช้ในระวังนะอาจจะแย่กว่าเราเอาของของเพื่อนมาใช้อีกนะเพราะถ้ามันส่วนรวมนะถ้ามันเป็นเรื่องของของ ของส่วนรวมใช่ไม่ใชนะ่อันนี้จะต้องเราระมัดระวังไว้ให้ดีแต่วันทีเราคิดว่าไม่เป็นไรแล้ของส่วนรวมเอามาใช้ได้นะเราก็ะทำใช้มาให้บรรถูกนะแล้วอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่เป็นของของคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นข้าราชการหรือนักการเมืองที่ชอบราช บ, บังหลวงหรือกองกินนะให้รู้ไว้นะ่นะการลักทรัพย์นั้นแหละนะเป็นกรรมที่หนักมากกว่าเอาจากบุคคลคนใดคนหนึ่งเสียอีก ในแง่ของส่วนรวมนี้จะต้องระมัดระวังไว้ให้ดีนะแล้วของนั้นเป็นของเ็วหรือปราณีตราคาแพงหรือราคาไม่แพงนะเพราะฉะนั้นในแง่ของการรักทรัพย์นั้นบาปมากหรือบาปน้อยนี่คือข้อพิจารณานะมีคำถามไหมกรณี น, นี้คิดว่าจะเด่นพรก็เข้าข่าย เข้าขายนะเข้าขา ย, นะขาขายมันไม่ถึงกับการที่เรามันไม่เหมือนกับการที่เราอะไรจิบเอาวัตถุมาใช่ไหมแต่นี้เป็นเรื่องของตัวความคิดใช่ความคิดนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วท่านจะใช้คำว่าเป็นฉายานะมันไม่คือมันอาจจะตัดสินลงไปแน่นอนโดยเฉพาะเจ้าจงไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของมนุษย์สมมติกันขึ้นมาเหมือนกับเรื่องของความคิดเนะ่ยขโมยความคิดของผู้อื่นเนี่ยเป็นการลักทรัพย์ไหม แต่นะในสมัยก่อนอันนี้ถ้าไม่ได้มีบัญญัติในข้อนี้เอาไว้นะแต่มันเป็นเรื่องที่มนุษย์มาตั้งกฎเกณฑ์กันขึ้นในภายหลังขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะแต่มันก็มันก็มีแนวโนม้มว่าเข้าขายอยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่เพราะว่าเจ้าของในย่อมหงแหนนะเจ้าของในย่อมหงแหนในสิ่งนั้นๆเป็นไปได้ก็อย่าไปทำเส้นจะ ด, ดีกว่าจเจนนิพอ เราสั่งให้เขาทำใช่ไหมล่ะอ่าครานี้การรับซื้อของโจนี่ผิดไหมเ <laughs> <laughs> จริญอน <laughs> ท่านั้นเองนะเ <laughs> จริญอนนะอันนี้มันก็เห็นอยู่แล้วว่าในแง่ของของกฎหมายมันก็มีอยู่ใช่ไหมแต่กฎหมายบางประเทศเขาก็ไม่ได้ตีความครอบคลุมไปถึงตรงตรงข้อนี้นะเพราะฉะนั้นในแง่ในแง่ของการนักซั์เนี่ย จะมีในฝ่ายของโลกวัชชะเข้ามาประกอบด้วยนะอย่างต้นบัญญัติในแง่ของการบัญญตัติในเรื่องของการรักย์ของพระพิสุส่งเนี่ยต้นบัญญัติคือตอนนั้นมีการเอาของที่ไม่ใช่เป็นเป็นไม้อของพระราชาเอามาใช้ปลุกติโดยที่ไม่ได้ไปขอพระราชาก็เลยมาฟ้องพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตําหนิตําหนิในจุดนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยถามว่าของมีมูลค่าเท่าไหร่ ตามกฎหมายบ้านเมืองจริงตัดสินโทษก็ห้ามาศกนี่ตัดสินประหารท่านก็เลยบัญญัติว่าถ้าของราคาเกินกว่าห้ามาศขาดจะความพันพระพิสุทสงฆ์ก็ท่านก็อนุโลมตามโลกวัชชา ด, ด้วยใช่ไหมมองในแง่นี้ใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับทางโลกนั้นอ่าเขาหวงแหนสิ่งของนั้นไหมถ้าหวงแหนเราอย่าไปถือเราอย่าไปคำว่ า, าเราอย่าไปเอาแค่นั้นเท่านั้นเอง อันนี้ก็เป็นหลักอย่างง่ายๆใช่ไหมถ้าเราไปร่วงละเมอหรือไปเอาของที่เขาหวงแหนมันก็เกิดกอให้เกิดอะไรเอ่ยความกระทบกระทั่งแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตามมาหลักในการอธินาทานนี้ก็เหมือนกันเจริญพรเจริญพร อ้าวก็ถูกต้องแล้วยมดูก่อนว่าไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตรงนั้นยมดูก่อนว่าเจ้าของอนุญาตหรือไม่หนึ่งเจ้าของอนุญาตหรือไม่ถ้าเขาทำเป็นพับลิกอย่างพวกอาตมาไม่ได้ใจนะอย่างทีวีวิทยุเนี่ยตามกฎหมายจะถือว่าเป็นพับเปลิกแล้วอันนั้นถ้าเราไม่ได้ทำเพื่อขายเราอัดไว้ดูเองจะถือว่าไม่ผิดกฎหมายในกรณีนี้นะถ้าอาตมา เท่าที่อาตมาได้ศึกษานะหรือเอาเฉพาะกฎหมายไทยนะอันนี้เอาเฉพาะกฎหมายไทยเพราะเกี่ยวกับโยมหรือโยมได้ของมาห ร, หรือได้ซีดีภาพยนตร์มาถ้าโยมก๊อปปี้เอาไว้ใช้เองอยู่ในเครื่องของโยมหรือใช้ในครอบครัวกฎหมายไทยถือว่าไม่ไม่ผิดนะในกรณีอย่างนี้กฎหมายไทยเนี่ยเอาเอ า, เอากฎหมายไทยเป็นตัวหลักนะแต่ต่างประเทศก็ถือว่าผิดนะ ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ให้ก๊อปไม่ให้ทําซ้ําเลยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโลกาภิชาติตรงนี้เข้ามาประกอบด้วยส่วนในเรื่องของการ์ตูนนั้นยมดูก่อนว่าเขาสงวนลิขสิทธิ์ในแง่ของการเผยแผ่เป็นธรรมทานหรือไม่ถ้าเขาไม่สงวนลิขสิทธิ์ในแง่ของการเผยแผ่เป็นธรรมทานนะเขาอนุญาตให้ทําได้ขอภัยอย่างซีดีของทางวัดเนี่ยจะไม่สงวนลิขสิทธิ์ในแง่ของการทําเผยแผ่เป็นธรรมทาน ถ้าอย่างนั้นโยมสามารถทำได้เลยเพราะว่าเจ้าของสิทธิ์อนุญาตไว้อยู่แล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้อนุญาตอย่าไปทำท่านั้นเองจเจริญพรออาได้งไงไม่ได้เกี่ยวกับคิดเงินหรือไม่คิดเงินนะอันนี้พระเท็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับคิดเงินหรือไม่ได้คิดเงิน อ, อยู่ที่ว่า เจ้าของสิทธิ์อนุญาตไหมนะเดี๋ยวมาพูดถึงตัวองค์แห่งอธินาทานนะในกรณีนี้นะเดี๋ยวเจมส์พรเดี๋ยวขอพูดอธิบายตอนองค์ของอธินาทานดีไหมเอ่ยนะเพราะองค์ของอธินาทานเดี๋ยวห้าข้อเนี่ยยมจะชัดเจนตรงนี้เลยนะว่ามันมีขอบเขตแค่ไหนบ้างที่จัดว่าเป็นอธินาทานหรือการขามโมยนะแล้วก็ถ้าสงสยัยเดี๋ยวถามเพิ่มเติมอีกทีนึ่งนะเจมส์พอรอในประเด็นแรกเอาที่ว่า การขโมยนั้นจะเป็นบาปมากหรือบาปน้อยก่อนอันนี้เป็นประเด็นที่โยมจะได้เอาไว้พิจารณาประเด็นนี้ไม่มีคําถามนะประเด็นที่สองคือองค์แห่งการอธินาทานอย่างไรจัดว่าเป็นการขโมยอย่างไรจัดว่าเป็นการขโมยท่านบอกว่าองค์แห่งอธินาทานนั้นมีอยู่ห้าประการด้วยกันหนึ่งของนั้น ผู้อื่นหวงแหนมีเจ้าของหวงแห น, นของนั้นผู้อื่นหวงแหนเลยมีเจ้าของหวงแหนถือลองเป็นเจ้าของหรือถือสิทธินั่นเองนะถ้าจะพูดอย่างง่ายๆสองรู้ว่าคนอื่นหวงแหนเรารู้ว่าของนี้คนอื่นหวงแหนไม่ต้องการให้ผู้อื่นเอาไป น, นี่ข้อที่สองเรารู้ว่าคนอื่นหวงแหน ข้อที่สามมีจิตคิดจะรักเจตนาคิดที่จะเอามาเอาเป็นของตัวหรือเอามาเป็นของคนอื่นหรือเอาไปให้คนอื่นก็นแล้วแต่เจตนาที่จะรักนี่คือเจตนาสามลงมือทำมีความเพียรพยายามหรือลงมือทำข้อที่สี่ นำของนั้นไปด้วยความเพียรพยายามนั้นลงมือทาในที่นี้คือพยายามที่จะรักนั่นเองและข้อที่ข้อที่ห้านาของนั้นไปด้วยความเพียรพยายามนั้นคือเจ้าของขาดจากสิทธิ์จากความเป็นเจ้าของของของนั้นถ้าครบห้าข้อนี้ถือว่าผิดข้ออธินาทานคือการขโมยเอาเรามาดูในแต่ละประเด็น ของนั้นมีเจ้าของหรือผู้อื่นหวงแหนในปัจจุบันนี้คนที่หวงแหนนี่ทํำยังไงเอ่ยท่านในเรื่ของความคิดเขา้าไปจดเป็นลิขสิทธิ์ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของข้อบัญญัติทางกฎหมายที่มีเพิ่เมเติมขึ้นมาของนั้นมีเจ้าของผู้แล้วก็ผู้อื่นห่วงแหนแต่ถ้าของนั้นผู้อื่นไม่ได้ห่วงแหนเราหยิบมาใช้หรือเจ้าของเขาไม่ได้ห่วงแหนเขาให้ใช้เป็นสาธารณะอยู่แล้ว ถ้าอย่างนี้ไม่ตกอยู่ในข้ออธินาทานแลนะ้ต่อให้เจตนาเราคิดที่จะรักก็ตามนะเรากะจะขโมยแต่ของนี้เขาทิ้งแล้วเราจะขโมยของของคนนี้แต่ว่ามันไม่ครบองค์ใช่ไหมเพราะของสิ่งนั้นเจ้าของไม่ได้ใช้แล้วหรือเขาอนุญาตให้ใช้อยู่แล้วหรือแม้แต่กระทั่ขงของหรือขนมหรือว่าถือสิ่งของเข้ามาวางไว้บอกว่าเอาใครอยากได้ก็เอาไป แต่เขาบอกว่าใครอยากได้ก็เอาไปในคือเขาสละจากความเป็นเจ้าของแล้ว ต, ตอนนั้นอาจจะมีคนหิวเอ้ยไม่รู้ว่าเห็นขนมแล้วอยากกินก็เลยตั้งเจตนาจะเอามาเป็นของตัวแล้วก็เลยแอบไปขโมยถ้าอย่างนี้ไม่จัดอยู่ในข้ออธินาทานเข้าใจนะนี่คือประเด็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างของที่ไม่มีเจ้าของอย่างในปัจจุบันเนี่ยอย่างพวกสื่อพวกอะไรพวกนี้เนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งนิยาย ถ้าอาตมาจำไม่ผิดจะอยู่ที่ห้สิบปีใช่ไหมในเรื่องของเรียกสิทมีใครทราบตรงนี้เรื่องนี้บ้าประมาณห้าสิบปีใช่ไหมจะถือว่าเป็นของสาธารณะและ้วถ้าเกิดถ้าเกินห้าสิบปถีถ้าจําตัวเลขไม่ผิดนะตามกฎหมายนะถ้าเป็นพวกอย่างนั้นนายโยมสามารถก๊อฟได้ละวเนะพราะเป็นข้อตกลงร่วมกันในสังคมล้วเจ้าของสิทธิ์อนุญาตล้วเจ้าของไม่ได้หวงแหนและ่นะเอานะอย่างที่สอง รู้ว่าคนอื่นหวงแหนบางครั้งยมนึกว่าเป็นของของเราหรือของของเพื่อนเราแล้วยมหยิบมาใช้ยมเอามาอันนี้ไม่จัดอยู่ในข้ออธินาทางนะเพราะเราไม่ทราบนะหรือมีของไว้วางไว้อยู่นะเห็นเป็นของสาธารณะอยู่ทั้งหมดอยู่แล้วนะแต่ไอของนั้นพอดีเป็นของที่มีเจ้าของแล้วก็เลยหยิบมาใช้ ยิบเอาไปกับประทานหรือหยิบเอาไปกินนี่คือเราไม่รู้ว่าผู้อื่นหวงแหนถ้าอย่างนี้ไม่จัดอยู่ในข้ออธินาทานะแต่แกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่ได้นะเห็นจะเอาปุ๊บฉันไม่รู้มันเจตนามันก็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมอ่านะข้อที่สามมีจิตคิดจะรักษท่าเรียกว่าเถยยะจิตะเถยยะจิตหรือไถยะจิตจิตคิดที่จะรักษ มีเจตนาที่จะรักหรือที่จะเอามาเป็นของเราแต่ถ้าไม่มีจิตคิดจะรักก็ไม่ผิดในข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นโยมโดนเพื่อนแกล้งหรือคนอื่นเขาหลอกอย่างกรณีของโยมที่โยมถามเรื่องของซีดีวันที่โยมไปซื้อเนี่ยให้เจ้าของที่ขายบอกว่า อ, อันนี้ถูกริขสิทยมไม่ทราบโยมคิดว่าถูริคสิจิงจริงโยมจึงซื้อซีดีนั้นมา หรือซื้อสื่อนั้นมาหรือซื้อของนั้นมาบางที่เราไปซื้อของที่แบกรกาดินของเขาขโมยมาเขาบอกของเก่าเขาเอามาขายแล้วผมก็เอามาขายต่อไม่ได้ของลักขโมยถ้าอย่างนี้เราไม่ได้จัดอยู่ในประเภทของอาธินาทานด้วยกับเขาเพราะว่าเราไม่ทราบหรือเราถูกปิดบังทําให้เราไม่ทราบแล้วเราไม่รู้ในจุดนี้เข้าใจนะอันนี้ก็คือในกรณีของรู้ว่าคนอื่นเขาหงแหนเรามีจิตคิดจะลักไหมมีจิตคิดจะขโมยไหม การขโมยถ้ามีจิตที่จะขโมยขโมยในที่นี้รวมไปถึงการปกปิดการหลีกเลี่ยงหรือการแลกเปลี่ยนเดี๋ยวอันนี้จิตจะกล่าวถึงนายละอียอีกทีหนึ่งถ้าไม่มีจิตคิดจะขโมยไม่ผิดข้ออธินาทานนะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยจะอยู่ที่เจตนา น, นี่เป็นตัวสาคัญประการที่สี่พยายามที่จะลักมีความเพียนพยายามที่จะทำอย่างนั้น และประการที่ห้านำของนั้นไปด้วยความเปนพยายามนั้นนะการพยายามหรือลงมือกระทํานั้นจะเป็นการกระทําด้วยวาจาเป็นการกระทําด้วยกายหรือเป็นการกระทําทั้งด้วยกายหรือวาจาข้อแล้วแต่ถือว่าผิดข้ออธินาทานทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นจะมีกายกับจิตจิตก็คือเจตนาใช่ไหมและกายลงมือทําจิต กับวาจาคือมีเจตนาและพูดออกไปจิตกับกายและวาจาเอาขอบเคสมีอยู่แต่อย่างไรบ้างในของการขโมยในแง่ของเอาไปเอาของโดยตรงนั้นอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเป็นอธินาทานอย่างที่สองในการเลี่ยงหรือหลบเช่นการเลี่ยงภาษีอยู่ในข้ออธินาทานด้วย มากหรือน้อยนะภาษีนี่เป็นของใครเอ่ยส่วนรวมหรือส่วนบุคคลอ่านั่นแหละนะบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงใช่ไหมบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงนะนั่นคือเงินของที่เราจะต้องให้กับประชาชนทั้งหมดนะเป็นเงินของประเทศชาติระวังให้ดีนะเรื่องนี้ต้องพยายามบอกยอมเอาไว้การที่เราเลี่ยงภาษีเรื่องภาษีเช่นถึงเวลาจ่ายภาษีเราเลี่ยงเราไม่จ่ายหรือปกปิดนะหรือแม้แต่กระทั่ง โยมผ่านบอร์เดอร์ไลน์อย่างเดินทางต่างประเทศนะเดินทางประเทศไม่ไม่ดิคลหรือพยายามเลี่ยงหรือพยายามหลบเพื่อที่เราจะได้ไม่จ่ายภาษีจัดอยู่ในข้ออธินาฐานด้วยโยมไม่ได้ทําเองแต่บอกให้คนอื่นทำหรือใช้ให้คนอื่นทำํำผู้ที่สั่งมีเจตนาและวาจาใช่ไหม ผู้ที่รับไปมีเจตนาและอาจจะมีทั้งวาจาและกายด้วยผิดทั้งคู่ผิดข้ออธินาทานทั้งคู่นะสั่งให้เขาทำก็ถือเป็นการลักทรัพย์ด้วยแม้ตัวเองไม่ได้ลงมือทำด้วยตัวเองก็แล้วแต่นะมันไปสั่งให้เขาช่วยไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้แล้วเป็นของที่ผิดกฎหมายหรือเขาไปขโมยมานะคราวนี้ก็สองเลยใช่หมตัวโยผู้สั่งด้วยแล้วก็ตัวผู้ ไปสแสวงหามาด้วยอย่างที่สามสับเปลี่ยนสิ่งของสับเปลี่ยนสิ่งของคืออะไรได้มาของเหมือนกันแต่อันนี้มันหักไปเปลี่ยนกับเขาด้วยฉันไม่ได้ขโมยแค่เปลี่ยนนั่นอธินาทานด้วยเข้าใจนะนั่นอธินาทานด้วยแต่เงี้ของพระภิกษุเนี่ยท่านมีเลยนะมีมีมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลท่านก็บอกว่านั่นแหละเป็นอธินาทานด้วย ก็คือการลักหรือการสับเปลี่ยนลักหรือสับเปลี่ยนสิ่งของนะประการถัดมานะนอกจากการลักการสับเปลี่ยนสิ่งของแล้วนะการที่เรากระทําด้วยวาจานะอย่างที่เราเรียกว่าการช่อกงหรือการสร้างหลักฐานเท็จเพื่อให้เราได้มาซึ่งสิ่ ง, งต่างๆเหล่านั้นเป็นอธินาทานด้วยต้องให้ถูกกฎหมายนะ อันนี้จะไม่ได้เกี่ยวว่าถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายแล้วนะเช่นเราไปหลอกเขาให้ช่วยเซน็นอะไรบางอย่างให้กับเราฉันไม่ได้ขโมยของเขาเขาเซ็นให้เองเขาเชื่อฉันเองแต่นี้มันครบเลยใช่ไหมแล้วเขาขาดจากสิทธินั้นเราให้เซ็นที่ยกที่ให้เราให้เซน็นค้าประกันพวกนี้อธินาทานหมดเลยนะเข้าข่ายอธินาทาน เข้าใจนะเข้าขายอธินาทานทั้งหมดลนะักสัพ์แอบนะไม่ให้เขาเห็นเพื่อไม่จ่ายอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้จัดอยู่ในฝ่ายอธินาทานทั้งหมดคูเข็นบังคับจัดอยู่ในฝ่ายอธินาทานไหมขึ้นอยู่กับเจ้าของอนุญาตหรือเปล่าอ่าปล้นนั่นก็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหม เจ้าของไม่ได้ให้เช่ไหมเจ้าของไม่ได้ให้นะรู้ว่าคนอื่นห่วงเจ้าของไม่ได้ให้ <c oughs> อันนั้นต้องแล้วแต่ตกลงละใช่ไหมอันนั้นแล้วแต่ตกลงคูเข็ยนหรือบังคับในใ น, ในกรณีอย่างนั้นแล้วแต่ตกลงกันละใช่ไหมใชนะ่ถ้ายอมรับปากเขาก็จบแล้วก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อธินาทานอยู่แล้วนะหรือมีคนเอาปืนมาจี้หรือบังคับ สอดถอดสรอยมาเอาอันนี้ให้โอนที่ให้นะถ้าอย่างเนี้เจตนามันชัดอยู่แล้วใช่ไหมไอย้ยางเงี้ยอธินาทานแน่นอนอยู่แล้วนะของนั้นเจ้าของห่วงรู้ว่าเจ้าของห่วงเจตนาที่จะเอาบังคับขู่เข็นนะออกคำสั่งบังคับขู่เข็นให้เขาทําแล้วก็ตกของนั้นล่วงไปใช่ไหมของนั้นล่วงไปจะเรียนพรอเมื่อกี้โยวมีคําถามอะไรเลย ออกเงินกู้นอกระบบเป็นอธินาทานไหมจะไม่ได้จัดอยู่ในฝ่ายของอธินาธานถ้าเราไม่ได้เป็นหลอกเขานะต้องต้องแบ่งนิดหนึ่งนะถ้าเราไม่ได้บอกไปหลอกเขาแต่มันเป็นอยู่ในฝ่ายของการเบียดเบียนใช่ไหมการคิดดอกเบี้ยที่แพงมากกว่าปกติอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ได้จ่ายเป็นอธินาธานเมื่อขายของแหละเราซื้อมาถูกแต่ไปขายเขาแพง ขึ้นอยู่กับตอนขายนั้นยมไปหลอกเขาไหมถ้ายมไม่ได้หลอกเขาติดราคาไว้อย่างนี้ของเขาเห็นแล้วเขาชอบใจเขาซื้อเราก็เลยได้กําไรมาสักร้อยเท่าอย่างเงี้ยอย่างพวกงานศิล ป, ปะในบางทีอย่างนี้จริงๆนะงานศิล ป, ปะเนี่ยมันน่าแต่คนชอบเอาไปขายฝรัง่งในฝรั่งเห็นเขาชอบเนี่ยบอกราคาไปเป็นหมื่นหรือเป็นแสนเ้าก็ซื้อไอคนเขียนงานหรือคนทํางานจริงๆทําแฮนด์คราฟต์ทำงานศิล ป, ป, ป, ปะจริงๆอาจจะซื้อมาแค่สี่ห้าร้ยบาทเท่านั้นเอง ถ้าอย่างนี้ไม่จัดเป็นอธินาทานถ้าเราไม่ได้ไปหลอกเขาแต่ถ้าเราไปหลอกเขาสิของนี่ฉันซื้อมาแพงนะอันนี้มันจะมันจะเข้าข่ายในแง่ของการหลอกลวงใช่หมเพราั้นการหลอกลวงตรงส่วนนี้เนี่ยเพื่อที่จะทาให้เขาเสียประโยชน์ตรงนี้ก็จะเข้าข่ายตรงนี้ด้วยนะเนนจริญพรเจริญพร จะเด่นพอมันไม่ได้หลุดข้อสองในแง่นั้นนะมันจะไปจัดว่าหลุดในข้อสองในแง่นั้นไม่ได้เพราะกฎหมายของบ้านเมือง ม, ม, มันมีกําหนดเอาไว้ทําโดยที่ไม่รู้กฎหมายเนี่ยกฎหมายยอมรับไหมพิษเหมือนกันใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้น ถ้าไม่รู้ต้องศึกษาให้รู้แล้วจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะถ้าไม่รู้อย่าไปทําอย่าไปหยิบมาดีกว่าใช่ไม่ใช่อหลักมันคือตรงนี้แหละนะมันไม่ใช่ไม่รู้ไม่ผิดนะไม่รู้นะ่ะโมหะนะมันหนักยิ่งกว่ารู้นะใช่ไม่ใช่มันหนักยิ่งกว่ารู้นะรู้นี่เรายังพอที่จะหลีกเลี่ยงหรือทําถ้าจะทําก็ให้มันน้อยที่สุดให้มันเกิดผลเสียน้อยที่สุดก็ได้ มันจึงเป็นความจำเป็นที่โยมจะต้องมาเรียนรู้จเจริญพรเข้าใจนะอ้าวมีคำถามอะไรเอ่ยจเจริญพรมองในแง่ของผู้ที่ให้เงินหรือผู้ที่รีบถไาย ผู้ที่ให้เงินก็เป็นผู้เสียหายอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นการขโมยไปไม่ได้ใช่ไม่ใช่แต่ผู้ที่ริดไถนี่สินะถ้าคมขูด้วยอาการต่างๆมีจิตที่คิดที่จะเอาบังคับหรือขู่เข็นเพื่อให้ได้ของสิ่งนั้นมามนก็จะเข้าขายละก็ ข, ขึ้นอยู่กับว่าเขาซื้อของนั้นหรือไม่ เราได้หลอกลวงเพื่อการขายของสิ่งนั้นหรือไม่นะถ้าโยมไม่ได้หลอกลวงโยมจะตั้งราคาเท่าไหร่นั่นเรื่องของโยมสําคัญที่ตรงนี้นะต้องไม่ต้องไปไม่ไปลออลวงหรือไม่ไปหลอกลวงเขานะเราเสนอราคาเท่านี้ถ้าคุณซื้อในราคาเท่านี้ก็จบนะแต่เราอย่าไปโกหกหรือไปหลอกลวงเขา อ่อันนี้ก็ต้องตัดตัดเป็นประเด็นประเด็นไปก่อนหนึ่งในแง่ประเด็นของอธินาทานตอนขายของมันไม่เข้าอยู่ในประเด็นของอธินาทานแต่มันจะเข้าไปไปอยู่ในประเด็นของการที่ผู้ที่ซื้อสนับสนุนให้ผู้ที่ซื้อนั้นทําอธินาทานใช่ไหมใช่เพราะว่าอา้าวก็นั่นแหละมันอยู่เข้าขายตรงนี้หรือยู่แล้วนะมันเข้าขายตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันทําให้เงินของรัฐสูญเสียใช่ไหม ทั้งๆ ท, ที่เรารู้อยู่แล้วว่าอมู ล, ลค่าหรือเงินตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะมันจะต้องตกไปอยู่ในมือของของคนอื่นหรือมันมีการซิกแซกถ้าในกรณีอย่างนี้เนี่ยผู้ทําคือตัวข้าราชาการรับไปเต็มๆนะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเขามีเจตนาที่จะเอาเงินส่วนแบ่งตรงส่วนนี้นะส่วนผู้เสนอนั้นถ้าเราไม่ได้ไปหลอกลวงเขามันก็อยู่ที่โยมตั้งราคา การขายนี่อยู่ที่เราตั้งราคาเขาพอใจที่จะซื้อราคานี้ไหมถ้าเขาพอใจที่จะซื้อราคานี้จบไม่ว่าโยมต้นทุนจะมาเท่าไหร่ก็แล้วแตนะ่แต่อย่าไปต้องไม่ไปหลอกลวงเขาสาคัญแค่ตรงนี้เท่านั้นเองเอามันก็เข้าขายไหมล่ะโยมคิดว่ายังไงโ ย, ยมลองลอง ลองดูตามเงื่อนไขทรงส่วนนี้สินะจเจริญพรไปพยายามชักจูงให้ทางราชการหรือทางหน่วยงานซื้อสิ่งของนั้นแลกก็อำนวยความสะดวกให้การจัดซื้อนั้นผ่านไปได้นั่นก็คือประเภทนักลอบปิื้อแล้วเขาอาจจะรับเงินจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ขายสินค้า ให้กับหน่วยงานหรือราชการนั้นขึ้นอยู่กับคนที่ไปรับบี้นั้นให้ข้อมูลจริงหรือเท็จหลอกลวงหรือไม่เนี่ยจะบอกว่ารับดีดยิ้มทั้งหมดเป็นอนธิษาฐานใช่ไหมก็บอกไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะบางคนเขาอาจจะมีเส้นสายหรืออาจจะรู้จักคนเอาถ้าจะใช้หรือถ้าจะขายของตรงส่วนนั้นเรารู้ว่าราชการนั้นต้องการจะจ้างผมไหมไมันก็เหมือนจ้างเซลล์เสมอละ ใช่ไหมเขาก็ไปวิ่งเต้นไปวิ่งหาตรงนี้ตรงนี้เพื่อให้เกิดการจัดซื้อตรงส่วนนี้ส่วนนี้นะแต่คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจตนาของการซื้อเป็นอย่างไรนะอันนั้นคือตัวอยู่ที่ตัวราชาการคนที่ตั้งเรื่องละใช่ไหมผู้ขายเนี่ยในกรณีอย่างนี้เนี่ยผู้ขายคงจะไม่มีผลแนะ่ะยกเว้นไว้แต่ว่าผู้ขายเนะ่ยมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะอย่างที่อาตมาได้บอกเอาไว้นั่นแหละ การจ่ายเงินใต้โต๊ะนั่นจะอยู่อีกขายหนึ่งนะอันนี้คือไปจ้างวานเขาละให้เขาทำงานให้เรามันเข้าข่ายของการจ้างหรือใช้ให้เขาโกงใช่ไหมใช่ถ้าในกรณีอย่างนี้เนะี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ไอ้ตอนที่โยมขายนะ่มันไม่ใช่อธินาทานแต่ตอนที่โยมพยายามที่จะเราเรียกว่าอะไรนะให้รางวัลหรือให้อะไรบางอย่างเพื่อให้เขาโกง กรณียอย่างเงี้ยมันจะเข้าขายจเจริญพรยมยยกประเด็นออกนะะมันตอนยมขายของนะไม่ใช่ไม่ใช่อธินาทานแต่ตอนที่ยมจ้างวานเขาหรือให้เงินเขาเพื่อให้เขาทําสิ่งนี้ให้ไอ้ตรงนี้นี่แหละตรงเนี้ที่เป็นปัญหาแหล ะ, จะเจริญพรยมมีคําถามอะไรเอ่ยก็อย่างที่อาตมาได้บอกเอาไว้อ่ะนะ ถ้ายอมใช้ให้เขาทําอยู่ในข่ายอธินาทานแต่ถ้ายอมไม่ได้ใช้ให้เขาทํามันก็ไม่ถึงกับอธินาทานนแต่มันใกล้เคียงมากอย่างที่บอกว่าเป็นฉายาเน่ยนะมันเป็นฉายาแต่บางประเทศกฎหมายบางประเทศจัดอยู่ในฝ่ายของผิดเลยนะจัดอยู่ในฝ่ายของผิดเลย เพราะในกรณีอย่างนี้มีเหมือนกันมียมมาถามัาตมาเหมือนกันถ้าไปขโมยของเข้ามาแล้วมาถวายพระในพระผิดไหม <laughs> พระไม่รู้ในพระไม่ผิดแต่ถ้ารู้พระไม่รับน <laughs> ะพระไม่รับของสิ่งนั้นถ้าพระรู้พระก็ไม่รับนะ เพราะมันจะไปเข้าเข้าขายสนับสนุนแนตะ่มันใกล้เคียงมากใช่ไหมมันใกล้เคียงมากเหมือนเราไปซื้อเทพีซีดีเถื่อนนั่นแหละมันใกล้เคียงมากมันใกล้เคียงมากอ่าก็เหมือนกันแนะ่ะก็เหมือนกับของที่เขาเอามาแจกอะแต่เรารู้ว่าของที่เขาแจกนี่เป็นของที่เขาเขโมยมาจะเป็นอธินาทานเลยมันก็ยังไม่เข้าโดยตรงมากนักใช่ไหมมันไม่เข้าโดยตรงมากนักแต่มันก็ใกล้เคียงเป็นไปได้อย่าไปทําดีกว่า เรียกดีกว่านะมันใกล้เคียงมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่ฉายาอธินาทานมันเป็นแค่ฉายาอธินาทานะมันใกล้เคียงมากแต่ถามว่าเราเป็นคนลักขโมยเองเลยหรือเปล่าเราไม่ได้ลักขโมยเองใช่ไหมเจตนาคิดจะเอามีไหมมีใช่ไหมงลงมือทํำไหมลงมือเจ้าของขาดสิทธิ์ไหมขาดสิทธิ์เจ้าของหงษ์แหงของนั้นไหมไอ้คนแจกมันไม่ได้หงษ์แหงแต่มันไม่ได้ใช่เป็นเจ้าของปัญหามันคือตรงนี้นี่แหละนะ แง่มงมันจะมีข้อเนี่ยอยู่ในข้อนี้จะบอกอธินาทานโดยตรงไหมมันค่อนข้างจะตัดสินค่อนข้างจะลาบากเหมือนกันแต่มันก็เป็นเงาแล้วล่ะมันก็เป็นภาพเงาของอธินาทานน ะ, จะเจรดนพรอ้อานะะเจริญพรคิดว่าประเด็นนี้จะไม่ยาวก็ ว, วันนี้ยาวอีกไม่เป็นไรก็เอาให้ชัดเจนกันแล้วกันนะครนาน้น้ถ้าเอาให้บริสุทธิ์เราสบายใจแม้ว่าจะมันจะอยู่ในแง่ของคาบเกี่ยวเราก็อย่าไปทําซะ เราก็จะได้สบายใจจิตใจเราก็จะได้ไม่เศร้าหมองด้วยแล้วก็กเรื่องของการรักการสรับของการติดเกลี้ยงการหลบเลี่ยงพวกนี้ที่อาตมาต้องเอามากล่าวไว้เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะบางทีเราทําจนกระทั่งกลายเป็นความเคยชินคิดว่ามันไม่ผิดนะอย่างเด็กๆในบางทีเห็นขนมเพื่อนก้อนใหญ่กว่าเรานิดหนึ่งไปสับกันอย่างนี้ ไม่ได้ขโมยแค่เปลี่ยนแลกกับเพื่อนแต่เพื่อนไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะกรณี อ, อย่างนี้ก็ถือเข้าอาธินาทานมีกรณีที่ไม่เป็นอธินาทานคือในกรณีของการถือวิสาสะนะการถือวิสาสะก็หมายความว่าอ น, นุญาตการเป็นประจำอยู่แล้วเอาอาจจะไม่ได้บอกเขาแล้วก็หยิบของนั่นมาใช้หรือหยิบของนั่นมากินอย่างเพื่อนสนิทกันอย่างเงี้ยเข้าไปในห้องอ้าวไม่มีเนี่ย ก็เลยหยิบนั้นมาของสิ่ง น, นั้นมาใช้ถ้าอย่างนี้ไม่จัดเป็นอธินาทานหรืออย่างที่สองเราขอยืมเขาเราขอยืมเขาะบอกเขาแล้วก็ขอยืมเขาหรือเราไปหยิบมาแล้ว เ, เขียนเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนมันอนุญาตแน่เขียนโน้ตฝากไว้ให้เพื่อนนิดหนึ่งแล้วก็หยิบของนั้นมาถ้าอย่างนี้ไม่จัดเป็นอธินาทานถ้าเรายืมเขามานเราไม่ได้มีเจตนาเอามาเป็นของตัวใช่ไหม ยืมเขามาชั่วคราวแล้วก็เอาไปคืนเขากรณีอย่างนี้ไม่จัดเป็นอธินาทานนะยืมเขามาการถือวิสาสะนะการถือวิสาสะเนื่องจากคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะถ้าอย่างนี้ก็เจตนาเราไม่ได้คิดลักอยู่แล้วใช่ไหมหรืออย่างบางทีมีหนังสืออยู่อย่างเงี้ยเออเดี๋ยวยืมมาดูสักนิดหนึ่งนะหยิบยืมมาดูสักนิดหนึ่งถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้จัดเป็นอธินาทานนะในแง่ของการถือวิสาสะแล้วก็การหยิบยืม ถ้านะวันนี้ก็เที่ยงสิบห้านาทีแล้วนะเดี๋ยวจะเกินเวลาไปมากกว่านี้ถ้ามีประเด็นอื่นเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราคุยกันอีกครั้งหนึ่งสี่ห้าเนี่ยอาจจะต้องเน้นย้ำกับท่านสักทีหนึ่งเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวของโยมเองนะแล้วก็ในการที่เรารักษาสิกขาบทห้าข้อด้วยนะอย่างโยมมาทําบุญถวายสังฆทานก็ไม่มีเวลามานั่งคุยกันแบบนี้เพราะว่าเวลามันค่อนข้างจะจํากัดแนละ้วบางทีโยมมาพระเทศสิบนาทีสิบห้านาทีก็เริ่มกระสับกระส่ายแล้วนะ แต่ว่าในเมื่อเรามาเรียนก็ศึกษากันเอาเอาให้รู้เอาให้รู้จริงๆแล้วก็ให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆแล้วก็บ้างประเด็นอย่างเช่นของที่เป็นส่วนรวมตรงส่วนนี้อยากจะเน้นย้ํากับโยมสักนิดเลย่งเพราะว่าบางทีเรานึกว่าทําอย่างนี้มันไม่บาปแต่จริงๆแล้วมันกลับเป็นสิ่งที่เป็นบาปมากหรือว่าเป็นเป็นอกุศลมากะจะเจริญพรเอานะวันนี้ก็คิดว่าคงจะเคุยกันไว้แต่เพียงเท่านี้ ในคราวหน้าค่อยมาต่อกันในข้อของกามเมสูรวิชาจารย์ต่อนะจะเร็นพร อ, อขออนุโมทนาลนดับต่อไปก็ขอเชิญโยมแผ่เมตตาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์